บทที่สองเนื้อฟ้ายัางมีฟ้าในแพทย์สมมิ่งไม่ยอมเชื่อว่าท่านพระครูจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้เพราะตั้งแต่เขาเรียนจบและทำงานมาจนกระทั่งได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลแห่งนี้ยังไม่เคยพบเลยว่า คนไข้ที่คอหักสามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้แม้บุรุษพยาบาลสองคนจะอธิบายอย่างไรเขาก็ไม่เชื่อจนคนทั้งสองรู้สึกอ่อนใจคุณหมอจะเถียงกันอีกนานไหมอาตมาปวดก้นจะแย่อยู่แล้วคนเจ็บอุทธรท่านอยากใช้คำว่าปวดตูดเพราะมันสื่อความหมายได้ตรงกับอาการ แต่คำหลังถือว่าเป็นคำไม่สุภาพท่านจึงต้องเลือกมาใช้คำแรกเคยได้ยินเด็กเลี้ยงควายสองคนมันเถียงกันท่านยังจำได้ไม่ลืมเลือนเฮ้ยเอ็งว่าตูดกับก้นเหมือนกันไม่วะเอ็งว่าเหมือนกันหรือเปล่าล่ะไม่เหมือนแต่ข้าว่าเหมือนกันนั่นแหละเพียงแต่ก้นดูสุภาพกว่าไม่เหมือนยังไงยังไงก็ไม่เหมือน เอ็งมีหลักฐานอะไรหน้าที่ของมันไงละ่ะตูดกับก้นมันทำหน้าที่ต่างกันต่างกันยังไงอ้าวก็ตูดมีไว้ขี้ก้นมีไว้นั่งต่างกันแค่นี้เองเรื่องกลว ย, ยก็ไม่รู้พอนึกไปถึงความหลังอาการปวดดูจะทุเลาเบาบางลง แต่พอเลิกนึกมันก็กลับมาปวดอีกปวดจนสุดจะทนทานครั้นจะกำหนดปวดหนาก็กรวว่าจะชดใช้กรรมไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทางที่ดีให้หมอช่วยด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์จะเหมาะกว่าคุณหมออาตมาปวดก้นท่านบอกอีกปวดตอนไหนผมหมายถึงว่า ตอนพามาโรงพยาบาลหรือว่าปวดตอนถึงโรงพยาบาลแล้วปวดตอนที่คอมันติดพอรถตกล่องปุ๊บคอมันก็ติดปับ๊บอาตมาก็ปวดขึ้นมาทันทีท่านตอบชัดท่อยชัดคําตอนมาโรงพยาบาลไม่ปวดหรือไม่ปวดตอนนั้นอาตมาไม่รู้สึกปวด มันเหมือนกับเบลเบลไม่รู้สึกตัวถ้ารู้สึกปวดตอนนั้นคงแย่เพราะน้ำจากหม้อน้ำมันพุ่งมารดอาตมาจะปวดแสบปวดร้อนไปทั้งตัวแต่มันก็แปลกนะคุณหมออาตมารับรู้ที่ลิ้นปีแล้วก็หายใจทางสะดือได้ใครบอกหลวงพ่อสติบอก ตอนนั้นไม่มีใครอยู่กับอาตมานอกจากสติสัมปัญญะสงสัยหลวงพ่อปวดมากจนเพ้อถึงได้พูดอะไรแปลกมีอย่างที่ไหนคนหายใจทางสะดือได้มันขัดกับหลักวิทยาศาสตร์ที่ผมเรียนมาหมอวัยกลางคนเริ่มจึงงดหงิดงอาตมาไม่เดเพอและอาตมาก็มีสติสัมปัญญะอยู่ตลอดเวลา อาตมารู้นะว่าคุณหมออยากให้อาตมาตายเพราะมันจะได้ตรงกับทฤษฎีที่คุณหมอเรียนมาแต่อาตมาจะบอกคุณหมอว่าอาตมายังไม่ตายจะยังไม่ยอมตายตอนนี้เป็นไปไม่ได้หรอกครับหลวงพ่อก็ผลเอ็กซเรย์ออกมาว่าหลวงพ่อกระดูกคอขาดและจะอยู่ต่อไปได้อย่างไร นายแพทย์ไวกลางคนรู้สึกสับสนถ้าท่านพระครูไม่มรณภาพก็แสดงว่าสิ่งที่เรียนมานั้นไม่ถูกต้องหลวงพ่อจะแน่ใจได้อย่างไรว่าจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกหากท่านพระครูตอบว่าเพราะพยายยมราชเห็นดีด้วยกับคำอธิษฐานของอาตมาก็จะทำให้ในายแพทย์ผู้นี้รู้สึกขัดเคืองหนักขึ้น ดีไม่ดีเขาจะหาว่าท่านวิกลจริตจึงตอบเสใหมด้วยทฤษฎีที่ท่านรู้มาใหม่ๆสดๆว่า<ๆ>เพราะอาตมารู้สึกปวดนะสิถ้าปวดแปลว่าไม่ตายถ้าไม่ปวดแปลว่าตายคุณหมอจงไว้เลยนะถ้าคนปว่วยเป็นโรคอมมาพลึกอมมาพาดมาให้รักษา ถ้ารักษาแล้วเขาเกิดบวดขึ้นมาก็แปลว่าจะหายแต่ถ้าเฉยๆไม่รู้สึกอะไรก็แสดงว่าไม่หายท่านเผยแพร่ทฤษฎีใหม่ให้คนเป็นหมอเป็นทฤษฎีที่ท่านได้มาโดยไม่ต้องเรียนนายแพทย์สมมิ่งไม่ยอมรับทฤษฎีของท่านเขาพูดขึ้นว่าลุงพ่อจะแน่ใจได้อย่างไรว่าคอติดแล้ว แค่ร้อรถตกร่องมันจะทำให้คอติดได้ชีหรือผมไม่อยากจะเชื่อบุรุษพยาบาลซึ่งยืนฟังมานานจึงได้โอกาสพูดว่าก็ลองเอ็กซเรย์ดูสิครับท่านพออจะได้รู้ว่ากระดูกของท่านน่ะติดกันจริงหรือไม่มัวเถียงกันอยู่อย่างนี้คงตัดสินยากงั้นก็นำท่านไปเข้าข้องเอ็กซเรย์เลย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสั่งคิดว่าหากเถียงกับท่านต่อไปเขาอาจจะจนมุมทำให้อับอายขายหน้าลูกน้องเปล่าๆพ้นการเอ็กซเรย์ปรากฏว่ากระดูกคอของท่านพระครูติดกันแต่จะต้องเข้าเฟื่อให้มันประสานกันดีดังเดิมอย่าง น, น้อยๆท่านก็ต้องอยู่โรงพยาบาลไม่ต่ำกว่าหนึ่งเดือนในแพทย์สมิงเพิ่งค้นพบความรู้ใหม่ ว่าการทำล้อรถเข็นตกลงไปในร่องประตูเหล็กจะช่วยให้กระดูกคอที่หักไปแล้วกลับมาติดกันได้แต่คงจะมีรายเดียวในโลกและเขาก็ไม่นำวิธีการดังกล่าวนี้ไปใช้กับคนไข้ารายอื่นอีกเพราะอาจจะไม่โชคดีอย่างรายนี้ หลวงพ่อต้องพักอยู่โรงพยาบาลนานหน่อยนะครับเพราะต้องใช้เวลารักษานานกว่าจะหายเป็นปกติแต่จะปกติเหมือนเดิมหรือไม่นั้นผมยังไม่ทราบนายแพทย์ตอบอดไม่ได้ที่จะเผยทีท่าออกมาว่าถึงอย่างไรก็เชื่อถือวิทยาศาสตร์มากกว่าจะให้อัตมาอยู่ในห้องไอซูเนี่ยนะไม่หรอกครับ ผมต้องให้หลวงพ่ออยู่ห้องพิเศษหลวงพ่อโชคดีนะครับเพราะการจะได้ห้องพิเศษเนี่ยต้องจองกันเป็นเดือนเลยแต่หลวงพ่อมาวันนี้ก็ได้วันนี้เพราะเมื่อเช้าคนไข้กลับบ้านไปรายหนึ่งบ้านเขาอยู่อำเภออะไรหรือคุณหมอท่านถามไปอย่างนั้นเองเพราะการได้พูดทําให้ลืมความปวดไปได้ชั่วครู่ช่วยยามผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน ว่าบ้านเขาอยู่อำเภออะไรเพราะเมื่อเช้าเขาไม่ได้กลับบ้านเขาแต่เขากลับไปบ้านเก่านะครับหมอสมมิ่งตอบรู้สึกสะเทือนใจที่ได้แกล้งท่านงั้นที่คุณหมอให้อัตมามาพักห้องนั้นก็ต้องคิดว่าอัตมาจะต้องกลับบ้านเก่าอีกรายใช่ไหมท่านรู้เท่าทันความคิดของหมอใหญ่หลวงพ่อจะคิดอย่างนั้นก็ได้ แต่ความจริงมีห้องว่างห้องเดียวจริงๆแต่ผมก็ยอมรับว่ายังไม่แน่ใจสักเท่าไรต้องรอดูอาการก่อนว่าจะถึงกับต้องกลับบ้านเก่าหรือไม่คุณหมอไม่ช่วยฉีดยาแก้ปวดให้อัตมาสักสองเข็มหรืออัตมาปวดก้นจริงๆนะไม่ได้แกล่งปวดท่านทวงเพราะเกรงว่าในแพทย์สมิ่งจะลืมเข็มเดียวก็พอครับหลวงพอ่อ มมอใหญ่คานแต่อาตมาปวดมากกว่าปกตินะแล้วอีกอย่างหนึง่งอาตมาเป็นคนจิตแข็งเข็มเดียวอาจจะไม่ได้ผลท่านต่อรองถ้าฉีดยาแล้วหลวงพ่อหายปวดแสดงว่าไม่หายนะสิครับเมื่อกี้หลวงพ่ อ, อยังพูดเลยว่าถ้าปวดแสดงว่าหายถ้าไม่ปวดไม่หาย หมอสมมิ่งถือโอกาสแก้แค้นถ้าคุณหมออยากรู้ก็ต้องลองไม่ลองก็ไม่รู้ตกลงนะตามใจหลวงพ่อจะเอาอย่างนั้นก็ตามใจประเดี๋ยวผมจะสั่งนางพยาบาลฉีดให้ในายแพทย์พูดอำนวยการพูดอย่างออกจะรำคาญขอเป็นบุรุษพยาบาลเถอดคุณหมออัตมาเป็นบรรพชิต ผู้ประพฤติพรมจันทร์สตรีเป็นศัตรูของพรมจันทร์ฉะนั้นคุณหมอต้องจัดบุรุษพยาบาลมาทำหน้าที่แทนนางพยาบาลแม้พระองค์นี้ยุ่งจริงๆเป็นพระไม่น่าจะเรื่องมากหมอส ม, มิ่งคิดในใจแต่ปากกรบพูดว่าบุรุษพยาบาลเราไม่ได้ฝึกมาทางนี้ครับหลวงพ่อเขาอาจทำได้ แต่ก็คงไม่ดีเท่านางพยาบาลไหนๆหลวงพ่อก็เป็นบรรพชิตน่าจะปล่อยวางใชบ้างถ้าจู้จี้จุกจิกมากไปคนดูแลเขจะลาบากใจเมื่อถูกหมอว่ามาอย่างนี้คนไข้เลยเถียงไม่ออกท่านไม่ได้ตั้งใจจุกจิกจู้จี้เพียงแต่จะคุยเพื่อให้ความปวดทุเราลงและการที่ท่านต้องให้ฉีดยาแก้ปวด ก็เพื่อพิสูจน์ว่าระหว่างยากับจิตของท่านอย่างไหนจะมีพลังมากกว่ากันนายแพทย์สมมิ่งเรียกพยาบาลสองคนมาสั่งการและบอกให้เช็ค ก, กําลังขาของท่านด้วยเพราะไม่แน่ใจว่าท่านจะเป็นอัมาพาตด้วยหรือเปล่าฉีดยาให้ท่านสองเข็มแล้ว พยาบาลจึงบอกท่านว่าหลวงพ่อหนูขอเช็กกาลังขาของหลวงพ่อหน่อยจะเช็กด้วยวิธีใดละ่ะท่านถามให้หลวงพ่อลองถีบหนูเดี๋ยวหนูยืนที่ปลายเท้าหลวงพ่อและหลวงพ่อถีบสุดแรงเลยนะคะถีบตรงเอวหนูเนี่ยเดี๋ยวหนูจะยืนหันหลังให้หลวงพ่อถีบ ท่านพระครูเหลือบตาขึ้นดูเอลลอนซึ่งหากวัดดูก็คงไม่ต่ำกว่าสี่สิบนิ้วแล้วถามว่าจะให้อัตมาถีบเท้าเดียวหรือสองเท้าสองเท้าเลยค่ะอย่าเลยเอาทีละเท้าดีกว่าเพราะอัตมาแรงมากแล้วชั้นถึงใช้เท้าข้างซ้ายพุ่งไปที่เอวของพยาบาลสาวใหญ่แต่ไม่ถึงกับสุดแรง ด้วยเกรงหล่อนจะเจ็บมากเกินไปร่างท้วมของสาวใหญ่เซซะดซดไปพะทะผนังตึกตั้งหลักได้แล้วหล่อนจึงหันมาบอกท่านว่าแหมหลวงพ่อแรงเยอะจังอย่างนี้ไม่เป็นอมาพาศแน่นี่ขนาดเท้าเดียวนะถ้าสองเท้ารับรองโยมทะลุผนังตึกไปแล้วท่านถือโอกาสคุย งั้นลองอีกเท้านี่เธอช่วยหันหลังมาให้ท่านถีบหน่อยหล่อนบอกเพื่อนที่มีหุ่นวัยใกล้เคียงกันหลวงพ่อไม่ต้องสุดแรงก็ได้เพื่อนหล่อนบอกเพราะนึกกลัวงั้นเบาๆแล้วกันท่านบอกและจึงพุ่งเท้าขวาไปด้วยแรงเท่าๆกับครึ่งหนึ่งของเท้าซ้ายกระนั้นก็ทําให้ร่างทวมเซไปชิดกับผนังตึก หมอสมมิงออกผิดหวังที่เห็นท่านมีกาลังวังชาดีกว่าคนที่ไม่ป่วยบางคนเสียอีกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ในายแพทย์วัยกลางคนเริ่มยอมรับความจริงที่ว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าวันนี้เขาพาครอบครัวไปถวายเพลนร่วมกับนายแพทย์สิงห์พลที่มาจากสิริราชท่านบอกว่าท่านจะต้องเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำ ตอนเที่ยงสี่สิบห้าเขาไม่เชื่อเพราะมันขัดกับหลักวิทยาศาสตร์พอเลี้ยงเพนเสร็จเขาก็พาครอบครัวไปส่งที่บ้านแล้วก็มาทำงานที่โรงพยาบาลแล้วก็ได้พบว่าท่านได้รับอุบัติเหตุรถคว่มคอหักจริงกระนั้นเขาก็ยังไม่เชื่อว่าท่านจะรู้ล่วงหน้าได้มันคงเป็นความบังเอิญมากกว่า แต่เมื่อมาพบอะไรๆที่ไม่ตรงกับทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ที่เขาเคยเรียนมาเขาก็ชักจะยอมรับนับถือท่านบางทีท่านอาจจะเป็นพระอรหันต์ก็ได้ฉะนั้นถ้าเขาคิดไม่ดีทำไม่ดีกับท่านก็จะมีแต่บาปกับบาปเท่านั้นทางที่ดีต้องเอาทฤษฎีที่เขาเรียนมานั้นใส่วงเล็บไว้ก่อน แล้วตั้งหน้าตั้งตาดูแลรับใช้ท่านให้ดีที่สุดเพื่อผลบุญจะนุนส่งให้เป็นอธิบดีกรมการแพทย์ในอนาคตคิดได้ดังนี้เขาจึงพูดกับท่านด้วยน้ำเสียงที่แสดงความเคารพบ น, บนอบน้อมว่าหลวงพ่อหายปวดที่ก้นหรือยังครับยังไม่หายเลยคุณหมอมันยังปวดเหมือนเดิมทุกประการสงสาัยยาจะหมดอายุกระมังท่านสันนิฐาน ไม่หมดหรอกครับหลวงพ่อเพราะเพิ่งสั่งมาใหม่ๆและหลวงพ่อเป็นคนไข้ารายแรกที่ใช้เอาอย่างนี้ดีไหมครับผมจะฉีดยานอนหลับให้หลวงพ่อพอหลับก็จะไม่รู้สึกปวดเขาเสนอวิธีใหม่ทั้งที่รู้สึกข้องใจว่าเหตุใดยาแก้ปวดจึงไม่ทำงานตกลงจะลองฉีดดูก็ได้แต่อาตมากลัวว่าจะไม่ได้ผลอีก แต่แม่รองก็ไม่รู้จริงไ้ยคุณหมอจริงครับหลวงพ่อหมอสมมิ่งรีบรับรองและจึงบอกให้นางพยาบาลฉีดยานอนหลับให้ท่านหนึ่งเข็มเดี๋ยวผมจะพาหลวงพ่อไปส่งที่ห้องนะครับจะนั่งคุยเป็นเพื่อนจนกว่าหลวงพ่อจะหลับอย่าเลยอาตมาเกรงใจเดี๋ยวคนไข้รายอื่นเขาจะรอนาน ประเดี๋ยวลูกศิษย์อาตมาก็จะพากันมาพูดยังไม่ทันขาดคํนายสมชายกับนายขุนทองก็พาแม่จวนกับโยมเตียงเข้ามาพอเห็นหน้าพระลูกชายแม่จวนก็ถามอย่างอาทรว่าท่านเป็นอย่างไรบ้างเจ็บปวดตรงไหนหรือเปล่าไม่เจ็บตรงไหนหรอกใจโยมแม่แต่ปวดตรงก้น อาตมาคิดถึงโยมแม่มากตอนที่นอนอยู่กลางถนนคิดถึงหลวงพ่อด้วยท่านหมายถึงพระภิกษุพองโยมบิดาที่เพิ่งมรณภาพไปเมื่อไม่นานมานี้แล้วจะให้โยมช่วยอะไรบ้างไม่เป็นไรจะโยมแม่คุณหมอเขาฉีดยาแก้ปวดกับยานอนหลับให้แล้วประเดี๋ยวก็คงจะค่อยยังชั่วขึ้น ท่านพูดให้โยมารดาสบายใจไม่ต้องห่วงหรอกรับคุณป้าตอนนี้หลวงพ่อท่านปลอดภัยแล้วผมกำลังจะพาท่านไปพักห้องพิเศษคงต้องอยู่โรงพยาบาลหลายวันและผมจะดูแลท่านอย่างดีที่สุดนายแพทย์สมมิ่งบอกกับแม่จวน ถ้าเช่นนั้นโยมก็จะมาเฝ้าไข่ท่านเองแม่จวนบอกพระลูกชายฉันก็จะมาอยู่เป็นเพื่อนพี่จวนเขาจ่ะโยมเตียงขันอาสาแล้วใครจะขายของให้โยมล่ะต้องขายของทุกวันไม่ใช่หรือขั้นถามโยมเตียงมีร้านขายของชำอยู่ที่ตลาดสิงห์บุรีไม่เป็นไรจ้ะ ฉันให้เฮียคุมลูกน้องขายก็ได้นางบอกเดี๋ยวไปคุยต่อที่ห้องพิเศษดีไหมครับที่นั่นจะสะดวกกว่านายแพทย์สมมิ่งพูดอย่างเกรงใจและจึงสั่งให้บุรุษพยาบาล น, นำท่านไปยังห้องพิเศษตัวเขาก็เดินตามไปพร้อมด้วยพยาบาลสองคนนายสมชายกับนายขุนทองก็พาแม่จวนกับโยมเตียงตามไป นายขุนทองอยากจะพูดใจแทบขาดหากก็ยังไม่สบโอกาสผู้หุดพยาบาลช่วยกันอุ้มท่านขึ้นจากรถเข็นมานอนบนเตียงคนไข้จากนั้นจึงพากันออกจากห้องไปเพราะหมดหน้าที่แล้วอยากจะบอกท่านเรื่องที่ขอพระสมเด็จไว้หากไม่กล้าท่านพระครูจึงบอกเขาว่าอาตมาไม่ลืมสัญญาแน่เดี๋ยวจะสั่งให้ลูกศิษย์เอามาไว้ให้ บุรุษพยาบาลจึงออกจากห้องไปได้วยความมั่นใจยิ่งขึ้นหลวงพ่อรู้สึกง่วงบ้างหรือยังครับนายแพทย์สมมิ่งถามรู้สึกแปลกใจที่ยานอนหลับไม่ทำหน้าที่ไม่รู้สึกง่วงเลยคุณหมอตอนนี้อาตมารู้สึกอย่างเดียวก็คือรู้สึกปวดที่ก้นท่านตอบบัดนี้ท่านรู้แล้วว่าพลังยานั้นคลังสู้พลังจิตไม่ได้ แปลกนะครับทําไม่กับหลวงพ่อยาถึงไม่ออกฤทธิ์และนี่ผมจะช่วยหลวงพ่อได้ด้วยวิธีใดหมอหนุ่มใหญ่รู้สึกจนปัญญาไม่มีวิธีใดที่จะช่วยอาตมาได้หรอกคุณหมอเพราะอาตมาไม่ได้เป็นโรคธรรมดาแต่เป็นโรคพิเศษกว่าโรคธรรมดาโรคอะไรครับหมอใหญ่รู้สึกว่าท่านพูดแปลกแปลก โรคกรรมไงล่ะถ้าเป็นโรคธรรมดาก็พอมีทางรักษาให้หายได้แต่ว่าโรคกรรมไม่มีทางรักษาต้องทนไปจนกว่าจะหมดกรรมแล้วเมื่อไรหลวงพ่อจะหมดกรรมครับผมหมายถึงว่าหายปวดที่ก้นอัตมาก็ไม่รู้เหมือนกันมันขึ้นอยู่กับเจ้ากรรมในเวรเขาถ้าเขาเอาโหสิกรรมให้อาตมาก็จะหายปวด แต่ถ้าเขาไม่อาโหสิ ก, กรรมก็ต้องปวดต่อไปเอาเป็นว่าทาหายปวดอาตมาจะเรียนให้คุณหมอทราบอย่างนี้ดีไหมแม้หลวงพ่อยิ่งพูดผมก็ยิ่งงงเพิ่งจะได้ยินว่ามีโรคชนิดใหม่เกิดขึ้นคือโรคกรรมผมเรียนหมอมาหกปีเป็นแพทย์ฝึกอีกหนึ่งปีไม่เคยได้ยินว่ามีโรคนี้แล้วก็ไม่มีในตำราเล่มไหนอีกด้วย แต่ก็จะมีในตำราของอาตมาอาตมาจะไปเขียนเป็นตำราแล้วก็จะนำไปเผยแพร่ให้ดังไปทั่วโลกเลยอันที่จริงโรคเนี่ยไม่ใช่โรคไม้รักคุณหมอจะว่าไปแล้วมันมีมาก่อนโรคใดๆทั้งหมดเพียงแต่คนไม่รู้จักเท่านั้นเองล่ะครับถ้าอย่างนั้นเอาไว้หลวงพ่อเขียนเป็นตำรา และผมค่อยขออนุญาตมาศึกษากับหลวงพ่อก็แล้วกันนะครับเขาถือโอกาสฝากเนื้อฝากตัวตกลงอัตมาเต็มใจที่จะถ่ายทอดความรู้นี้ให้กับคุณหมอรอให้อัตมาหายดีเสียก่อนเชิญคุณหมอไปดูคนไข้รายรอื่นเถอะไม่รู้ว่าเขานำโชเฟอร์กับโยมที่นั่งรถมากับอัตมามาที่นี่หรือเปล่า ถ้าอย่างไงขอความกรุณาคุณหมอช่วยดูให้ด้วยจริงสิผมก็ลืมไปงั้นผมขอตัวก่อนนะครับพูดจบก็เดินออกไปจากห้องพร้อมกับพยาบาลทั้งสองคนทันทีที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลออกไปนายขุนทองก็โผล่เข้ามาซบที่หน้าอกท่านพระครูพลางร่ำไห้รำพึงรำพันหลุงลุงของขุนทอง คิดว่าชาตินี้จะไม่ได้พบกันอีกแล้วขุนทองห่วงหลงลุงใจแทบขาดไม่มีหลงลุงสักคนหนึ่งชีวิตของขุนทองก็ไร้ความหมายหลงลุงต้องไม่ตายนะฮะเออข้าจะยังไม่ตายถ้าเองไม่มาซบข้าจนหายใจไม่ออกสงสัยข้าจะไม่ตายเพราะรถความแต่จะตายเพราะเองนี่แหละ ท่านว่าหลานชายร้อนถึงนายสมชายต้องมาดึงพ่อตัวดีออกไปจากอกหลวงพ่อขุนทองอยาเว์ยาเว์เขาใช้สับสมัยใหม่ที่แม่จวนกับโยมเตียงฟังไม่เข้าใจเทาว่าท่านพระครูเข้าใจแจ่มแจ้ง